เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องของปัญญาต่อไปอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไว้ว่าปัญญานั้นพระเจ้าทรงจาแนกแสดงไว้โดยนัยามต่างๆแล้วก็มีที่มาที่แตกต่างกันออกไปนะในที่หนึ่งก็ได้แสดงถึงปัญญาไว้สองประการคือสองระดับ ตั้งแรกก็เรียกว่าโลกิยะปัญญาคราวนี้ถ้าท่านสาชนสังเกตเรื่องในมงคลและสูตรข้อที่ชุดที่สามนะับปุสสัจญ ย, ยสิ ป, ปัญจวินโยจัสุสิกิโตเราเจนว่าตรงนี้เป็นระบบของการพัฒนาปัญญาท่านจะเน้นไปที่ภูสัจจะคือศึกษารอบรู้อย่างในยะที่กล่าวไว้ในวันก่อน แล้วก็สิ่งที่เราศึกษานั้นมันมีฐานะเป็นศาสตร์ว่าไอศิลปะเนี่ยมันจึงมีสองสถ า, านะสถ า, านะหนึ่งก็คือวิชาการที่จะต้องทำด้วยมือเนี่ยพวกวิาวชาอาชีพทั้งหลายวิชาชีพทั้งหลายนะฮะสายวิชาาชีพทั้งหลายอะไรก็ตามเราเรียกว่าเป็นงานศินละปะหมายความว่าจะต้องมีความเข้าใจรอบรู้แตกฉานจริงๆ นะถ้าไม่งานแล้วเสี่ยงมากพวกงานศิละปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศิละปะยุคสมัยใหม่เพราะว่ามันอะไรมันไปเกี่ยวกับเครื่องยนตกย์กลไกไปไฟฟ้าไปอะไรต่างๆมากมายหลายกองตอนพวกวิศวกรพวกช่างทั้งหลายเนี่ยถ้าขาดความชำ น, นิชำ น, นาญจริงๆแล้วเนี่ยเสี่ยงอันตรายมาก แต่เราตั้งงานสถาปัตยกรรมปัตยกรรมปฏิมากรรมรรมีจิตศิลป์นิสิตทั้งหมดนั่นก็คืองานศินละปะแต่เราจะเห็นว่ามันก็ผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรูนะ้อย่างที่ว่าไว้เนี่ยมีประสบการณ์มากมีการจํามากมีแม่นในกฎเกณฑ์ต่างๆมากแล้วก็คิดด้วยใจนะคิดเป็นองรวมแล้วก็ขยายอัตราส่วนออกไปได้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องงานตรงนั้น ผลงานมันก็เป็นงานที่มีความประณีตสวยงามมีความเริ่มเริ่มสร้างสารรและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไม่ย้อนกลับมาสู่ตัวเราอย่างบางครั้งบางคราวตึกถล่มลงมาเนี่ยมันก็เทือนไปถึงช่างไปถึงสถาปนิกไปถึงวิทยกากรวิศวกรที่ควบคุมการก่อสร้างในเรื่องเหล่านั้นตลอดถึงเจ้าของอะไรต่างๆก็ต้องสแสวงหาจุดบกพร่องในการ ทำงานศินละปะตรงนั้นทีนี้ไอ้ตัววิชาเองครับเถอะวิชาที่เราเรียนเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่ศิละปะในการใช้เพราะฉะนั้นสมมติว่าวิชาทางด้านกฎหมายวิชาทางด้านศาสนาวิชาทางอะไรก็ตามนะทางร้องเพลงทางทุกอย่า ง, งนะฮะเราจะเห็นว่ายอดมันมีไม่กี่คนในแต่ละสายเนี่ยถามว่าเรียนมาเท่ากันไหมบางคนเนี่ยเขาเรียนมากกว่าหรืทําไปแต่ว่าไม่มีศิละปะ ม่มีศิละปะในการที่จะถ่ายทอดเรื่องเหล่านั้นออกมาให้มันเป็นรูปธปรรม ท, ที่คนอื่นก็สัมผัสได้หรือให้เป็นภาษาที่สามารถสื่อสารติดต่อกับชาวบ้านเขาได้ถามว่าท่านรู้ไม่เรื่องเหล่านี้ท่านรู้นั่นก็คือระบบของการพัฒนาปัญญาที่มันนำศาสตร์ทั้งหลายออกไปสู่ความเป็นศินละปะเรออาจเห็นว่าศาสตร์เนี่ย ม, มันก็เรียนจบกันได้อะนะ แต่ปัญหาว่าถึงภาคสนามหระภาคใช้งาน่ะคุณใช้ได้หรือเปล่าจะสมมุติเราศึกษาเรียนรู้มาเป็นครูมาสอนหนังสือหนังสือเนี่ยปัญหาว่าครูเข้าใจในเรื่องที่ตัวสอนหรือเปล่าวิธีการสอนวิธีย้ายสือ่ออาตมาเอกเป็นคนไม่ชอบสื่อนะคือมันมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนอื่นใช้สื่อกับเราเราก็ไม่ชอบมันทําให้เราไม่ได้มีโอกาสคิดคือม น, นุษย์เดียวมันต้องมีจินตนาการ ก็ได้จินตามยะปัญญาเนี่ยเราเหนว่ากวีกลุ่มหนึ่งคือกวีสร้างสารรคงานเนี่ยก็ได้จินตะกะวีเป็นกวีที่บุกเบิกสร้างสรรงาน ต, างต่างๆขึ้นมามันต้องอาศัยส่วนหนึ่งต้องเป็นจินตนาการแต่ก็มีฐานในการคิดอะในการคิดแล้วก็สร้างได้เป็นจินตนาการเรื่อยๆเพราะงั้นแม้แต่การออกจากการจัดสรุป ข, ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเห็นว่ามันเกิดจากจินตนาการแล้วก็คิดต่อไปเรื่อยๆ มันคิดต่อไปจากคนแก่คนเจ็บคนตายนะคิดยกไปยกมาแก่เจ็บตายมันปัญหาว่าตายแล้วไปไหนล่ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ทีนี้เกิดเนี่ยไอ้แก่ไอ้แก่เนี่ยมาจากไหนก็มาจากเกิดอีกละเจ็บแล้วมาจากไหนก็มาจากเกิดอีกล่ะตายมาจากไหนก็ตายมาจากเกิดเพราะมันเกิดก็มาจากตายแล้วก็ตายก็มาจากเกิด หมายความว่าถ้าเราไม่ตายก็ไม่ต้องเกิดใหม่แล้วคนที่ไม่เกิดไม่เกิดมาก็ไม่ต้องตายแสดงว่าตายก็เกิดเนี่ยมันอาศัยซึ่งกั น, น แ, ออ แ, กกและกันจะไม่ชอบอะทั้งแก่ทั้งเกบทั้งตายเลยไม่ชอบทํายังไงละ่ะจะตัดต้นต่อมันได้ก็ต้องตัดที่เกิดทีนี้เกิดเนี่ยมันมันมันไม่มีแบบไม่แบบก็ต้องจินตนาการเห็นไหมก็จินตนาการขึ้น ว่าเออโลกมันก็มีของที่ต่อสู้กันอยู่นะมันมีปฏิปักกันอยู่เเรียกว่ามีของคู่กันนะเป็นคู่กัดนะคู่ต่อสู้กันเช่นไรว่ามีมืดมันก็มีเย็นกระจัดมืดไอ้ไม่ใช่มีสว่างกระจัดมืดออกไปมีร้อนก็มีเย็นกระจัดออกไปมีกลางคืนก็มีกลางวันกระจัดออกไปแล้วก็คิดได้เรื่อยๆนะฮะมีหิวก็มีอิ่มกระจัดออกไปมีหนาว มันก็มีร้องกระจัดออกไปเมื่อคิดได้เรื่อยๆเอ๊ ม, มีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดไม่มีอีกด้านหนึ่งมันก็เริ่มจินตนาการต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้มนุษย์ต้องมีจินตนาการแล้วก็สร้างสารรค์งานต่างๆเข้นมาในงานที่โดดเด่นเป็นเอกก็คืองานที่ใช้ศาสตร์แปลงเป็นศิลป์แล้วก็คิดออกมาให้เป็นจินตนาการเราจะเห็นว่างานบางอย่างเป็นงานบุกเบิก ไม่ใช่เป็นงานคือคือเคยตั้งข้อสังเกตในราชการเขาคิดนะว่าคนบางคนเนี่ยมือไม่ถึงเห็นว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาอยู่ในจุดเดียวกับคนก่อนคนก่อนก็ทํางานไว้ระดับหนึ่งอันนี้มือมามือไปถือมันสุดหมดเลยเอาเป็นวัดก็ได้นะยกตัวอย่างว่าเป็นวัดก็ได้สมภารองคอ์กรนี่เก่งมาก เสร็จแล้วองค์ใหม่มาถึงก็วัดสุดเลยเอาไม่อยู่คนก็ลดลงไปสิ่งก่อสร้างก็ชารุดสุดโทมกิจกรรมต่างๆก็โหดหายเสื่อมถอยลงไปหมดอันนี้มือไม่ถึงถามปัญญาในภาคศึกษานี่มีไหมท่านอาจจะเก่งนะฮะท่านอาจจะเป็นป ร, ริญญาธรรมเก้าประโยชนแต่องค์กรอาจจะเป็นนักธรรมเอกเท่านั้นเองเห็นไหมในเรื่องของการศึกษานั้นท่านเหนือกว่า แต่ว่าในด้านของศิลปะคือปัญญาภาคใช้งานเนี่ยท่านสู้ก็ไม่ได้บางคนก็มือพอถึงก็รักษาสถานการณ์หว่อยได้บางคนเนี่ยสามารถสืบต่อ ง, งานนะฮะสืบต่อ ง, งานจากที่เขาเริ่มไม่ได้บางคนนี้บุกเบิกแนวใหม่เลยแล้วก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรถ้าเราจับปฏิปตอเรื่องทั้งหลายเข้ามานะ แล้วก็เอาตัวเองเป็นจุดในการศึกษาเรียนรู้เนี่ยมันก็สามารถที่จะขยายออกไปได้เป็นอเองกันนั้นดังนั้นปัญญาในชุดเนี้ยเป็นปัญญาระดับโลกียะมันสามารถบริหารตนเบริหารคนบริยนงานกา ร, การจัดการกับเรื่องทลายเนี่ยมันก็นี่แหละคือว่าศึกษาเรารู้มามากมีความฉลาดในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งตัวเองก็อยู่อยู่ในกฎเกณฑ์ะระเบียบิดใน มีสัมพันธ์เชิงสร้างสารรค์กับคนอื่นพระเจ้าใช้ค ำ, คำสี่คำอุสัจรันติสิปัญจาวินโยจาสุสิกิโตสุภาจิตาจัยาวาจาอตามังกลมุตมะงเสร็จล้ แล้วพวกนี้มันมันจะเข้มข้นขึ้นไปโดยลําดับลไล่ไปสัมพันธ์กับอะไรไปสัมพันธ์กับพ่อกับแม่กับลูกกับเมียกับครอบครัวกับหน้าที่การงานก็เดินไปเรื่อยนะมันเข้มข้นกันไปเรื่อยก็เป็นเรื่องของการพัฒนาปัญญาปัญญาประสู่ภาคสนามเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมีความชัดเจนมีความแหลมคมขึ้นไปโดยลําดับก็ทํานองมีดนะฮะยิ่งใช่ยิ่งคมแล้วก็ยิ่งต้องรับแล้วก็มันใช้ประโยชน์ได้สารพัดขึ้นมา คิดพลิกแผงได้กันไปได้เรื่อยๆปัญญาโลกิยะจึงเป็นปัญญาระดับการแปลงการจัดการที่อำนวยประโยชน์ในระดับอะไรละ่ะระดับครองตนครองคนครองงานครองเรือนแล้วก็ตลอดถึงเป็นระบบพัฒนาจิตใจของเราปรับตกแต่งพบชาติได้ประณีตขึ้นไปเป็นระดับอะไรเขาเรียกว่าระดับประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้า ก็ไม่ยังไม่อยากนิพพานฮะต้องการจะไปสวรรค์ต้องการจะเกิดเป็นเทพประบุติต้องการจะเป็นพรมสงบเสวยทิพยสุขอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะปัญญาเหล่านี้มันก็พัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆระดับของโลกีธรรมน ะ, ะเราเห็นว่าปัญญาของพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นปัญญาระดับโลกีธรรมแต่ว่าสะสมไว้เพื่อมันเพิ่มพูนมีประสิทธิภาพขึ้นมาเข้าไปสู่ระดับของโลกุตระธร ร, รม โลกุตรปัญญาเป็นปัญญาของพระริยะเป็นปัญญาที่รู้เท่าทันแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะเรามีปัญญาบางทีก็รู้เท่าทันนะแต่หวั่นไหวแล้วก็ถ้าปัญญาที่เป็นโลกิยะล้วนๆเนี่ยบางทีมันมันไม่ค่อยไหวอคือเคยตั้งข้อสังเกตแล้วก็ถามครูบาอาจารย์นะระดับปัญญาโทสี่โทเองลองถามดูเราจะเห็นว่าเรายิ่งเรียนในกิเลสเรายิ่งเพิ่มนะ แต่เราไม่ได้รู้ตัวเราหรอกยิ่งเรียนกิเลสยิ่งเพิ่มโลภะนี่เพิ่มมานะนี่เพิ่มแล้วก็พร้อมที่จะเกิดโทสะเพราะอะไรสมมติว่าเราได้ไปญาโทไปสมัครงานเขาบอกว่าเอาตำแหน่งปัญญาตรีได้ไหมเราไม่เอาอ่ะเก็ถือว่าดูหมิ่นเรา แต่ถามว่ามันมีงานอยู่ตำแหน่งหนึ่งแต่คุณสามารถทําได้ไหมแต่ไปอัตราเป็นยาเอกเนี่ยเราเอานะฮะเพรอะไรเพราะว่าตำแหน่งมันใหญ่แล้วก็เงินมันมากแต่ถามว่าเราทําดีหรือเปล่านะี่ยังไม่รู้แต่ก็ขอข อ, อาสาทํ า, ธาธรรไปก่อนเพราะมันเกิดโลคขึ้นมาแล้วจะเกิดมาหน้าเปียความถือตัวไม่ค่อยเคารพคนอื่นคือเสียอย่างหนึ่งเนี่ยพวกเรียนมาสูงสูงนี่ค่อนข้างเสียอย่างหนึ่งก็เคยเจอแล้วคนบางคนก็คุ้นๆกันนะะ เราก็พูดทีเล่นทีจริงบอกว่าคุณเนี่ยอะไรก็ดีหมดเสียอย่างเดียวมันเป็นครูมากไปหน่อยคือเวลาประชุมไมนั่งเลคเชอร์เฉยเลยเนี่ว่าสอนหนังสือยังไงกันไ่แล้วคือถือว่าตัวเองนี่ทุกคนต้องฟังแต่ว่าเรียกเขามาประชุมก็สมัยอาตมาเป็นพระหนุ่มๆ น, นะบวชสักสองพรรษาสองสองพรรษานะฮะ ก็ไปในที่หนึ่งผู้ใหญ่เขาไปเรียกประชุมเจ้าคณะจังหวัดเลยขาจังหวัดอะไรตเรียกเยอะนะฮะเสร็จแล้วท่านนั่งเลคเชอร์เลยท่านนั่งเลคเชอรท่านไม่มีข้อมูลเพราะท่านไปจากกรุงเทพเนี่ยท่านไม่มีข้อมูลในท้องถิ่นก็มีพระราชาคณะหนุ่มรูปหนึ่งเป็นประเรียนธรรมเก้าประโยคท่านก็ขอพี่ปลายนะฮะขอพี่ปรายหน่อยเดียวโอ้ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาพูดการไม่ใช่เรื่องของเด็กท่านบอกเอา้า เรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็เรียกประชุมทำไมถ้างั้นก็ออกความเห็นไม่ได้ก็กลับลุกขึ้นกลับเลยและนี่คือคือว่าเราไม่กระจายคือไม่ยอมรับนับถือสถานะของกันและกันเรียกว่าเราก็ไม่รู้เท่าทันนะ่ะเป็นปัญญาลับโลกิยะมันก็มีปัญหาเพราะมันจะเกิดอหังการมามังการเกิดมานะเกิดความถือตัวขึ้นมาแล้วในสุดก็ระบายกิเลสออกไป คือหมายความว่ายิ่งเรียนเนี่ยกิเลสยิ่งเพิ่มแล้วผลท้ายถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะฟังคน อ, อื่นไม่เกิดเป็นเราจะขาดการประณีประนอมจะแข็งกร้าวแต่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ถ้าปัญญาสูงสูงแล้วจะมีลักษณะอย่างนั้นให้ลองสังเกตเอาไว้ซึ่งก็หมายความว่าควรจะรู้ตัวเองว่าเราไม่ได้เก่งหมดทุกเรื่องแต่ว่าสังคมนั้นจะอ่อนแออ่อนแอก็คล้ายๆกับท่านหม อ, อแล้วท่านจะรู้หม ด, ลดเล้วหมอพูดแล้วเราต้องถูกหมดเลย ทนี้ถ้าด็อกเตอร์เกิดหลงตัวเกิดมาด้วยแล้วมีปัญหาใหญ่เลยไม่มีใครหรอกพูดอะไรถูกหมดอ่ะเราไม่ได้สัพพัญญุตยานแต่หมายความว่าถ้าเราฟังระดับโลกิยะเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟังกันพอต่างตัวต่างดีต่างมีวิ ช, ชาต่างตัวต่างกล้าวิ ช, ชาเทียมกันแต่โลกุตระในไม่นะคือท่านไม่เทียงอะไรกับใครและที่สําคัญอย่างยิ่งคือการสัมผัสอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มันจะเกิดปัญญารู้เท่าทันเรื่งความจริง ในสิ่งที่สัมผัสดีหรือไม่ดีไม่ใช่ประเด็นอ่ะเช่นสมมติว่าท่านประสบกับลาบยศสันเสริญสุขขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรนะฮะลาบยศสันเสริญสุขเนยิ่งเป็นพระแล้วยิ่งไม่มีความหมายอะไรเลยมันเป็นยศช้างคุณนางพระเฉย แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปธรรมดานะมันเกิดแต่มันก็ไปอมันก็ดับมันคู่ก็ดับอ่เกิดมันคู่ก็ดับเพราะงั้นมันเกิดมันก็เกิดเท่าที่มันเกิดท่านไม่ไปกระดีกระดาอะไรไม่ไปแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไระเพราะมันดับมันก็ดับมันก็รู้ล่วงหน้ามาทั้งนานแล้วว่ามันมาเพื่อดับไอ้นี่คือปัญญามันจะมันจะต่างกัน แล้วปัญญาของพระอริยะนั้นจะไม่นําไปสู่การถกเถียงอะไรก็ใครเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ปสุดาบันขึ้นไปในทิฏฐิสัมปันโนคือท่านสมบูรณ์ในทิฏฐิควำเดียงก็ท่านสมบูรณ์แหละทีนี้พวกนี้มันสื่อกันได้นะมันติดต่อกันได้ไม่ต้องไปเถียงคือพูดกันน้อยอย่างวันก่อนไม่ใช่วันก่อนก็หลายปีแล้วนะครเขาเล่าก็เล่าที่โรงพยาบาลที่จุฬารู้สึกว่าตึกสามัขีพยาบาลนั่นนะ ไม่ใช่ตึกตึกตึกวิทยานท่านล้มปูดุลลงมล้มปู่ลงมล้มปูสามป่วยไม่ใช่ล้มปูดุลป่วยนะล้มปูดุลป่วยล้มปู่สามมาเยีมก็นั่งมองหน้ากันอย่างนั้นสองชั่วโมงไม่ได้พูดกันทักทักะนางพยาบาลก็เลยสงสัยเอาเออล้มปูเนี่ยไม่เห็นได้ยินคุยอะไรกันไลยก็ออกไปก็สิบสงสัยล้มปูสององค์นี่โกรธกันนะไม่คุยกันเลยอ่ะนั่งมองกันเฉย คือมันก็มองกใยความคิดของเธอนะแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องพูดดใยภาษาใจที่สื่อกันมันก็รู้อะไรเยอะไม่จําเป็นจะต้องถามคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่น่าอึดอัดนะม่าด่าตราคาญวันก่อนเนี่ไปเยี่ยมพระพวกเป็นพระมันปู่วยอยู่ที่สิริราชหมอห้ามพูดห้ามใช้เสียงห้ามพูด เวลาไปเห็นปั๊บมันก็บอกขอเย็นนิดเดียวแล้วก็ห้ามพูดถ้าไม่ต้องพูดผมพูดเองนะเราก็พูดอะไรต่ไรแล้วก็ถ้าตาจะเห็นด้วยก็พยักหน้านะฮะตามาเห็นด้วยก็ให้สัญญาณว่าไม่เห็นด้วยอะไรก็ตามเราจะพูดคนเดียวในท่านฟังถ้าไม่ต้องพูดผ ม, หมอห้ามพูดนะนะะแต่ในขณะที่เราเราก็มอง พูดอยู่คนเดียวนะแต่เกี่ยงไม่เสร็จนี่คนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็มาชวนคุยเยรื่อยสั่งอาจารย์เป็นยังไงพระอาจารย์เป็นยังไงองค์นู้นมันก็ต้องตอบจิมันถามให้อธิบายเนี่ยไม่จะไม่ถามไม่ใช่หรือไม่ใช่มันถามให้อธิบายท่านก็ต้องตอบเราก็อาเขาก็เห็นป้ายอยู่นี่เ อ, อป้ายเขาไปเห็นแนละ้วทําไมเขาไม่คิดล่ะเราจะไปเตือนเขาเราก็ไม่รู้จักเขาก็เลยกล็ลาแล้วก็ไม่ไปเลยนะไม่ไปเลยจนกว่า วันหลังก็ไปเยี่ยมมันก็กลับปัดไปแล้วพอรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่น่าจะช่วยเหลือกันมันไม่น่าจะไปซ้ำเติมในสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นคือเพระาะปัญญาภาคตรงนี้ยมันจะต้องนําไปสู่การใช้งานแล้วก็รู้เท่าทันในความจริงตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ปัญญาของท่านเป็นปัญญารู้เท่าทันดํากาเป็นจริงแล้วไม่เพิ่มไม่เพิ่มอะไร คนจะดา่าท่านท่านก็ไปเดือดร้อนอะไรคนชมท่านท่านก็ไม่ดีใจอะไรนะเพราะมันสักแต่ว่าคําแต่นั่นเองคนไหว้ก็ไม่ได้ดีใจอะไรคนไม่ไหวก็ไม่ดีใจอะไรนั่นก็คือปัญญาระดับที่เรียกว่าเป็นโลกุตระปัญญาแต่ที่สมบูรณ์จริงๆนะฮะมันต้องขึ้นถึงระดับของพระอระหรันต์ นี้เป็นการมองกันโดยประเภทนะเป็นการมองกันโดยประเภททีนี้ปัญญาเหล่านี้ยมันมันไปย่อยออกไปอีกระดับหนึ่งเข <c oughs> าเรียกว่าเป็นปัญญาของพระเสขบุคลคลก็คือโลกุตระปัญญานั่นแหละแต่พระเสขมันก็มีสามระดับนะคือปโสดาสกษษิตาคาอนาคาปัญญาท่านแตกต่างกันปัญญาปโสดาบันก็ระดับหนึ่งปัญญาพระสะกิตาคาก็ระดับหนึ่งปัญญาพระอนาคาก็ระดับหนึงแต่ ในกรณีที่เป็นปัญญาซึ่งทําลายกิเลสเนี่ยแต่ว่าปัญญาในระดับ อ, อื่ น, นเนี่ยพระอานนท์เนี่ยท่านจําพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดแต่ท่านก็เป็นพระโสดาบันนะตอนท่านจาได้ซึ่งพระหันก็จําไม่ได้จําได้อย่างพระอานนท์เนี่ยไม่มีใครจําได้ก็นอกจากพระอานนท์รูปเดียวก็วแสดงว่าปัญญาในระดับหนึ่งก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งแต่ปัญญาระดับที่จะลดละกิเลสเนี่ยมันมันจะลดละกิเลสแตต่างกัน เพราะกิเลสเนี่ยมันแตกกิ่งก้านสาขามาจากโมหะหรืออวิชชาทีนี้ปัญญาเนี่ยก็คือตัววิชานั่นเองมันก็แตกกิ่งก้านสาขาเป็นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงตัวไม่โลภก็ไปลดตัวโลภตัวไม่โกรธไปลดตัวโกรธตัวไม่หลงก็ไปลดตัวหลงเพราะฉะนั้นท่าเหล่านี้ก็เดินไปบนเส้นทางของละโลภโกรธหลงนี่แหละจิตใจของท่านก็รปนี่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปัญญาระดับของพระอนาคามีนั้นจึงไม่มีใจยินดีในทางเพศ ไม่มีคำว่าไม่พอใจไม่ต้องพูดเรื่องโกรธอนะ่ะแม้แต่รู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญอะไต่ใดเนี่ยทั้งเสียงทั้งคนอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรกับเรื่องนะั้นนั่นก็เป็นหลักแต่อย่าลืมนะการการใช้ปัญญาลักษณะที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นระบบของการบริหารยางพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงยินดีในที่ส ง, งัด เพราะฉะนั้นถ้าใครไปส่งเสียงอุกทึกครบเครยวครึกโครมภ า, ายในวัดแล้วได้เรื่องเนะ่ยนั่นคือการบริหารนะในการบริหารว่าต้องเรียกแล้วต้องรู้ต้องตักเตือนอนอนท์ไปดูซิใครส่งเสียงดังอยา่างใครชาวประมงแย่งปรากันนั่นก็เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อยๆก็เป็นการย้ำเตือนให้พระได้สนักได้สำเนียกเรียนรู้ว่าอะไรมันควรหรือไม่ควรแม้การสร้างประเทศตะวัน นาทบินิกาศเศรษฐีขออนุญาตจะสร้างพระเจดวันถวายพระเจ้ารับสั่งว่าตถาคตยินดีในที่สงัดแต่ก็บอกข้อนี้คาบรองรู้อยู่แล้วแต่จะไปจะสร้างเสร็จแล้วจะมาก่าวทูลในงสงฆ์ชอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าเป็นธรรมะภาคปฏิบัติแล้วเป็นการบริหารองค์กรซึ่งจิตใจไม่ได้เกี่ยวเกาะนะฮะ ว่าที่จริงพระพุทธเจ้าก็ไปได้ยินดียินได้อะไระนะคือเสียงก็เสียงแต่นั้นเด็กองค์งไม่ได้สนพระไทยแต่ว่ามันองคอ์กรเนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์ในการอยูร่วมกันไม่ได้ไม่ได้สั่งด้วยความโกรธอะไรเพราะไม่มีกิเลสได้โกรธแต่ว่าระบบองคอ์กรเนี่ยต้องมองอันนี้คือองคอ์กรองคอ์กรมันจะมีลักษณะเขาเรียกว่านิฆะปะกะะคือมีการกำราบมีการยกย่องกันตามสมควรแกร่นีนะภาษามันค์กรไปได้ยินนิเคราะห์ปะเคราะห์ อันชักงงอ่ะมีเคราะห์ประเคราะห์ตามควรก็เป็นหลักปฏิบัติของพระราชาเอ๊เราจะงงก็ที่จริงก็คือนิกาประการเป็นภาษาที่ไม่ค่อยคุ้นนะฮะพอผ่านเข้ามาเลยงงเอ๊ะหมายหมายความไปยังไงเป็นสันสกฤตนะฮออกมาเป็นสันสกิตก็นี่ก็คือหลักการเราจะเนว่าปัญญาประเภทนี้จึงเป็นปัญญาประเภทที่ คุ้มครองตัวได้โดยอัตโนมัติถ้าถึงระดับของอาเสขาปัญญาหมายความเป็นปัญญาระดับของพระเสขาแล้วจะคุ้มครองตัวเองได้โดยอัตโนมัติทีนี้ปัญญาอีกประเภทหนึ่งเนี่ยที่จริงมันมันจะถือว่าเป็นปัญญาของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ไม่ใช่นะ จะเป็นเสขะก็ไม่เชิงอเสขะก็ไม่ใช่ก็หมายความวมาเป็นปัญญาของสามัญชนทั่วไปเนี่ยแหละแต่บางทีมันก็มี ม, มีอยู่ทุกระดับตัวหมายความว่าปัญญาระดับของพรรยะจริงๆเนี่ยเราก็สามารถสัมผัสได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่สมบูรณ์เท่าที่ท่านมีแต่นั้นเองเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราสัมผัสอะไรไม่ได้เลยก็เราเดินนอกทางของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราสัมผัสได้ทุกระดับแหละ ระดับหนึ่งนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าทุกระดับอยู่หมายความพระคุณทุกข้อเนี่ยเราสัมผัสได้เราสัมผัสปัญญาได้เราสัมผัสบริสุทธิ์ได้เราสัมผัสผกรุณาได้แต่มากน้อยแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราสัมผัสปัญญาได้ลึกแต่ที่สําคัญว่าปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นโลภโทสะโมหต้องลดนะฮะโดยเฉพาะก็โมหะมันลดโมหลดก็คือโลภลดโทสะลดบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเองเพราะเมื่อพวกนี้ลดมันเกิดขึ้นเอง ทีนี้ปัญญาที่เป็นหลักใจมันก็มองคนอื่นด้วยความกรุณาที่กระจายวงกว้างออกไปได้โดยลําดับทั้งฟังทนายต่รมประโพติญาณในวันนี้ขอยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี